สุขทุกข์ของคนเราไม่ว่าจะเป็นที่กายหรือที่ใจก็ตามมันรู้แล้วแต่มีผัสษะเป็นจุดเริ่มต้นอันนี้พูดแบบให้เข้าใจง่ายๆนะเพราะว่าถ้าจะพูดถึงจุดเริ่มต้นจริงๆตามหลักปฏิจจสมุปบาทนี่มันถอยหลังไปถึงอวิชชาเลยสิเดียว วิชาเป็นปัจจัยไปสู่สังขารเนี่ยแล้วก็ค่อยถึงผัสสะได้จากผัสสะนี่ก็เป็นจุดที่นำไปสู่เวทนาตันหาอุปทานพบชาติชรามรณะทุกทมนัดเนี่ยแต่พูดให้มันง่ายๆคือว่าความทุกข์ของคนเราไม่ว่าที่กายหรือที่ใจมันก็มีจุดเริ่มต้นมาจากผัสสะ เช่นอากาศหนาวมากระทบกับตัวเรานะเราก็รู้สึกหนาวอาจจะถึงกับสะท้านหรือว่าเท้านี่ไปเหยียบกรวดมือไปโดนของร้อนหรือว่าน้ำแหลมมันก็เจ็บนะความสุขก็เช่นเดียวกันนะ ส่วนใหญ่ก็มีจุดเริ่มต้นจากผัสสะเช่นจะมีความสุขได้ก็ต้องได้สัมผัสรับรู้อาหารที่อร่อยได้ฟังเพลงที่เพราะนะได้เห็นสิ่งตื่นตาตื่นใจเห็นวิ ว, ว, วทีวทัศสวยงามไอ้พวกนี้เป็นเรื่องผัสสะทั้งนั้นแหละผัสสะคือเมื่อตากระทบรูปหูได้ยินเสียง แล้วก็มีสิ่งมาสัมผัสกายรินได้รับรถอันนี้รวมไปถึงการคิดด้วยนะเมื่อใจคิดนึกอะไรก็ตามเมื่อใจเราคิดนึกถึงคนที่เขากันแกล้งเรานินทาเราต่อว่าด่าทอเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นให้การที่ จิตไปรับรู้หรือไปคิดนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตอันนี้ก็เรียกว่าเกิดผัสสะเหมือนกันนะมันเกิดผัสสะขึ้นในใจในตัวอารมณ์ก็คือธรรมารมคือสิ่งที่ใจรับรู้จะเรียกาอายตนะก็ได้นะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารม นะพวกนี้เมื่อมันกระท่ากับตาหูจมูกลิ้นกายใจ mm. ก็เรียกว่าเกิดผัสสะแล้วก็ตามมาด้วยเวทนาจะเป็นทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาก็ตามนะตรงนี้แหละนะที่ความทุกข์มันเกิดขึ้นนะไม่ว่าที่กายหรือที่ใจก็ตามบางอย่างมันไม่ทําให้ทุกข์กายนะแต่ว่าทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้น เช่นเสียงที่ได้ยินอาจจะเป็นเสียงธรรมดาธ ร, รมดาไม่ได้ทําให้ปวดหูแสบหูหรือว่าระคายโสตประสาทแต่ว่ามันมันกระเทือนไปถึงใจเช่นคําต่อว่าด่าทอที่เป็นแค่ลมปากมันกระทบหูไม่ได้ทําให้หูเจ็บหูปวดแต่ว่าจิตใจนี่กับโกรธแค้น ถ้าคนส่วนใหญ่เวลาต้องการบรรเทาทุกข์หรือว่าหลีกเลี่ยงความทุกข์ก็พยายามป้องกันไม่ให้เกิดผัสสะที่จะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นอากาศหนาวมากระทบตัวทําให้เกิดความหนาวสัตานก็ใส่เสื้อหนาวหรือว่าใส่หมวกมีผ้าพันคออันนี้ก็เพื่อป้องกันผัสสะ ไม่ให้อากาศหนาวมาถูกตัวรับรู้แต่ความอบอุ่นอากาศอบอุ่นนะที่มันกระจายอยู่ตามเสื้อผ้าสร้างบ้านสร้างเรือนมีหลังคาก็เพื่อไม่ให้แดดร้อนมากระทบกายอันนี้ก็เป็นการวิธีการบรรเทาทุกข์ของคนทั่วไป ที่จริงวิธีนี้ก็ผูเจ้าก็ก็ตรัสก็สอนนะว่าว่าการบรรเท่าทุกข์หรือว่าการละอาสวะเนี่ยก็ละได้ด้วยกันละละเวน้นเราเว้น่างไกลสิ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์หรือว่าละเว้ด้วยการเสพละความทุกข์ด้วยการเสพเช่นหิวก็กินอาหาร ป่วยก็กินยาหรือว่าป้องกันอันตรายจากดินลมแดดสัตว์เลื้อยคลานก็มีเสนาสนะที่มิชชั่นเป็นต้น <c oughs> อันนี้ไปรวมถึงการคลุกคลีด้วยนะอย่างที่พูะเจ้าได้ สอนผานนนผานนถามว่าจะทําอย่างไรจะมีท่าเตียงแระจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับสตรีผู้จ่าก็แนะนําว่าก็อย่ามองถ้าจะไปจะต้องมองก็อย่าพูดคุยแต่ว่าถ้าจะพูดคุยด้วยก็ต้องให้มีสติให้อย่ามองอย่าพูดคุยเนี่คือการหลีกเลี่ยงผัสสะที่นําไปสู่ความทุกข์ใจ มันไม่ได้ให้เกิดความทุกข์กายนะแต่ว่ามันนําไปสู่ความทุกข์ใจหรือว่าทําให้เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาการไม่คบคนพาลซึ่งเป็นข้อแรกในมงคลสูตรนะก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่ได้ไม่ต้องไปคลุกขีไปเจอกับสิ่งที่ทําให้จิตใจเป็นทุกข์ก็เป็นการควบคุมผัสสะอย่างหนึ่ง วิธีการบรรเทาทุกข์หรือว่าป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีการเลีกเลี่ยงผัสสะหรือควบคุมผัสสะเพื่อไม่ให้ไปก ร, ระทบกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจที่บีบคั้นหรือที่เสียดแทง ไม่ว่าทางกายหรือทางใจก็ตามอันนี้ก็เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าก็สอนนะพวกเราด้วยนะก็คือให้รู้จักควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายนะเพื่อไม่ให้ไปเจอกับสิ่งที่มา ก, กระตุ้นหรือว่ากระทบให้เกิดความทุกข์ ไม่ว่ากายและใจอาการที่พระพุทธเจ้าแนะนำให้พระเรารู้จักหาเสนาส น, นะรวมทั้งจีวรบิณฑบาตย่ารักษาโลกหรือปัจจัยเสยเียก็เพื่อให้ได้รับผัสสะที่มันนำไปสู่ความสุขสบาย แต่ก็อย่าสบายมากเกินไปนะก็ต้องมีการพิจารณาว่าเสพปัจจัยสี่เพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้นะเพื่อไม่เพื่อบำบัดความทุกข์อันเก่าแล้วก็ไม่สร้างความทุกข์ม่ให้เกิดขึ้นเป็นต้นวิธีนี้พวกเราก็ใช้กันดีกันอยู่แล้วนะการพยายามควบคุมไม่ให้เกิดผัละที่มาบีบคั้น กายและใจหรือไม่ก็พยายามหลีกนี้ห่างไกลจากสิ่งนั้นแต่ว่าวิธีนี้มันก็ยังไม่พอนะเพราะว่าไม่ว่าเราจะหลีกจะหนียังไงก็ต้องเจอผัสสะที่ชวนให้ขัดใจหรือผัสสะที่ไม่พึงปรารถนา เช่นต้องมาเจอรูปรถกินเสียงที่ไม่นายินดีอยู่วันนี้ขนาดอยู่ในป่าไกลจากเมืองแล้วก็ยังมีเสียงดังจากหมู่บ้านหรือบางทีเสียงก็มาจากคนในวัดมีเสียงรถยนต์สิ่งก่อสร้างอย่างที่บอกไว้แล้วว่า สุขหรือทุกคนเราเนมันก็มีจุดเริ่มต้นมาจากผัสสะก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ว่าเมื่อเกิดผัสสะที่ไม่น่าพอใจแล้วนี่จะต้องทําให้ทุกข์ใจไปด้วยแม้ว่าเมื่อมีผัสสะแล้วจะเกิดเวทนาจะเป็นทุกขเวทนาก็ตามแต่ว่ามันไม่จําเป็นต้องต่อเนื่องนะเป็นลูกโซ่จนกระทั่งก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้น วิธีการที่ผู้เจ้าสอนเนี่ยก็คือใหนะ้ให้รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเมื่อเกิดภัสสะมันมีเวทนาเกิดขึ้นก็ตามแต่มันจะมันไม่นำไปสู่ความทุกข์ถ้าไม่มีการปรุงแต่งนะปรุงแต่งเป็นตันหาอุปทานภพชาติอันนี้เรียกว่าเรียกรวมๆว่าปรุงแต่งนะหรือว่า จิตใจเรามีอาการดิ้นผลักไสอยากได้เมื่อวานนี้ก็พูดไปแล้วว่าเสียงไม่ใช่ปัญหานะปัญหาที่ทำให้ทุกข์ก็คือใจที่ต่อต้านผลักไสและเมื่อเสียงกระทบหูนะแม้ว่ามันจะเป็นเสียงดังทำให้เกิดทุกขเวทนาทางกายแต่ว่ามันก็อาจจะยุยติเพียง เ, เท่านั้น ไม่ทำให้ทุกข์ใจได้หากว่าใจเราไม่ไปต่อต้านผลักไสเสียงนั้นความเจ็บป่วยก็เหมือนกันนะมันก็ทําให้เกิดทุกขเวทนาทางกายแต่ถ้าหากว่าใจยอมรับได้ว่ามันเป็นธรรมดาคนเราเกิดมาก็ต้องเจ็บป่วยใครๆเขาก็ป่วยกันทั้งนั้นนะเราจะเป็นอีกสักคนก็เป็นเรื่องธรรมดา เมื่อใจยอมรับได้เนี่ยมันก็ทุกแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกก็เรียกว่าไอกระบวนการก่อดทุกมันมันมันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์มันไปนยุติที่เวทนามันไม่ต่อเป็นตันหาอุปทานพบชาติชรามรณะหรือว่าเวลาบางคนเนี่ยเวลาเจอ สิ่งที่น่าพอใจที่มันให้ความสุขหรือสุขเวทนาได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความอยากได้มากกว่าเดิมรู้สึกว่าที่ได้มานี้ยังน้อยไปนะอันนี้ก็ทุกเหมือนกันนะ อันนี้ก็เรียกเป็นการปรุงแต่งที่ใจอยากได้อีกอยากได้มากๆน่าจะได้มากกว่านี้นะก็คือว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใจมันก็ทุกข์เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ต้องเกิดผัสสะที่เป็นลบเสมอไปแม้จะได้ผัสสะที่เป็นบวกอั่ที่เขาเรียกว่าอิทธารมต่ถ้าเกิดว่ามันมีตัณหาอยากได้มากกว่านี้ ก็ทุกได้เหมือนกันไอตัวปรุงแต่งในใจเนี่ยนะเป็นเป็นตัวสำคัญนะที่ทำให้ทุกใจแม้จะเจอแดดรอนอากาศหนาวนะเจอความเจ็บป่วยเจอของแหลมมามาทิ้มมาแทงมันก็ทุกแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกถ้าหากว่ามันไม่มีการปรุงแต่ง หรือว่าใจเนี่ยวางวางใจไว้ได้ดีไม่ต่อต้านไม่ผักใสหรือว่าไม่ไขว้คว้าแบบด้วยาการที่ไม่รู้จักพอสักทีหรือว่าโลภะเนี่ยไอยตรงเนี้ยเป็นเป็นตัวการสําคัญเลยนะว่าคนเราเนี่ยจะทูกใจหรือไม่อยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ภัสสะนะถึงแม้ว่าภัสสะจะเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวการสําคัญ ให้ตัวการสำคัญที่ทำให้ทุกใจเนี่ยคือการปรุงแต่งหรือว่าท่าทีที่ไม่ถูกต้องนะของใจที่เขาใช้คำว่าเนี่ยมันมีกิเลสมีตัณหามานาิติมีโลภะโทสะโมหะไอตรงนี้แหละเป็นเป็นงานของพวกเราเนะนักภาวนาหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมก็คือว่าเราต้องรู้ทัน เมื่อใจมันปรุงแต่งหรือว่าเมื่อใจมันมีอาการต่อต้านผักสายสิ่งที่เกิดขึ้นมันบน่นวอยวายตีโพตีพายมันมีความรู้สึกขัดอกขัดใจขึ้นมาตรงนี้เรียกเรียกว่ามันจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาเป็นความกลัวเป็นความเกลียดเป็นความเศร้าคว า, ความความขับแค้นมันเป็นการปรุงแต่งเพราะว่า ถ้าว่าเรามีสติเรามีความรู้สึกตัวให้การปรุงแต่งที่อารมณ์พวกนี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้มันเกิดขึ้นเมื่อเราไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวเราหลงนะทันทีที่เรากลับมามีสติมีความรู้สึกตัวเนี่ยไอการปรุงแต่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ความโกรธจึงหายไปนะความเกลียดมันก็จะ เลือนหายไปคนที่โกรธเนี่ยพอมีสติปุ๊บเนี่ยความโกรธก็หายทำไมมันหายก็เพราะว่าตอนตอนนั้นไม่มีสติมันไม่มีความรู้สึกตัวก็เลยปรุงแต่งอะไรต่ออะไรสารพัดเรื่องอ่ะคือมีความหลงเมื่อหลงก็ทำให้ปรุงแต่งปรุงแต่งบปในทางอกุศลก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันเราก็ไม่เผยคิดถึงเรื่องราวเจ็บปวดในอดีตไม่คิดถึงคนที่ต่อว่าด่าทอเราไม่คิดถึงคําพูดที่เสียดแทงใจเราก็รู้ใช่ไหมว่าคิดทีไรนี่ก็ทุกทุกทีแต่ทํำไมถึงคิดทําไมถึงทําร้ายตัวเองทํำร้ายใจิตใจตัวเอง ก็เพราะาตอนนั้นเนี่ยมันหลงไงนะใจไม่อยู่กับปัจจุบันนะั่นความมีสติความรู้สึกตัวที่สำคัญมากนะที่พระเจ้าใด้นหนงพระอนุนว่าเนี่ยถ้ า, ถ, าถ้าทีในการปฏิบัติกับสตรีก็คือไม่มองหรือถ้ามองจำเป็นต้องมองก็ อยากคุยและถ้าจำเป็นต้องคุยก็ต้องให้มีสติมืออินซียสังวร อ, <c oughs> อันนี้แหละนะก็เป็นวิธีการนะหมายความว่าก็กลับมาดูใจของเราอินซียสังวรเนนะี่ยมันแปลงง่ายๆความสำรวจอินทรีย์แต่ไม่ได้หมายถึงการไปควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจนะ แต่หมายความว่าการรักษาใจนะไม่ให้อคุสนครอบงำหรือไม่ให้เป็นทุกข์เมื่อเกิดผัสสะขึ้นมามาเป็นการมาจัดการที่ใจจัดการอย่างไรก็คือมีสติเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงหรือได้รับรสหรือว่าใจคิดนึกเนี่ยก็เอามีสติซะ เมื่อมีสติจิตก็จะกลาเป็นปกติอันนี้เรียกว่า In นะอินทรียสังวรนะแต่ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยนะพอเกิดผัสสขึ้นมานะมันก็ความทุกข์ก็ตามมาทันทีนะแต่ถ้าเรามีสตินะพอตายให้รูปปุ๊บเนะี่ยสติก็มาทัน มารับรู้ว่ามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นที่ใจคืสติเหมือนตาในนะที่ทําให้เราได้เห็นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งความคิดนึกด้วยที่ไม่ได้ตั้งใจคิดนะที่เพอะปรุงแต่งขึ้นมามันจะมีสองอย่างเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา คือเมื่อตาเห็นรูปเนะี่ก็เกิดเวทนาและอารมณ์ปรุงแต่งขึ้นมาทันทีเราเรียกว่าตัณหาอุปทานแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยพอตาเห็นรูปนะก็รับรู้แต่รูปแต่ว่าไม่เห็นไม่ไวพอที่จะไปเห็นอาการของใจที่เป็นปฏิกิริยา หรือเกิดขึ้นตามมาอันนี้ความแตกต่างระหว่างนักปฏิบัติธรรมกับคนที่ไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้นะคนที่ไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมตายให้รูปนะก็เห็นแต่รูปแต่นักปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อตาเห็นรูปแล้วสติก็เห็นใจด้วยเห็นความชอบความชังเห็นสุขเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อหูดินเสียง คนทั่วไปก็ได้ยินแต่เสียงรับรู้แต่เสียงแต่นักปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เพียงแต่ได้ยินเสียงรับรู้เสียงเท่านั้นแต่ว่าสติก็เห็นความดีใจหรือความเสียใจที่เกิดขึ้นขั้งในด้วยเห็นทั้งในและนอกนคนทั่วไปนี่เห็นแต่ใน เ, เห็นแต่นอกเห็นแต่รูปได้ยินแต่เสียงหรือว่า อรับรู้สัมผัสที่เกิดขึ้นกับกายแต่ว่าในใจนี่ไม่เห็นเลย <c oughs> ทั้งๆ ท, ที่ก็มีสติกันทุกคนนะแต่ว่าสติที่มีที่คนส่วนใหญ่มีมันเหมือนกับตาในที่บอดนะหรือไม่ค่อยได้ใช้งานเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อตาเห็นรูปนะสติก็เห็นใจว่ามันคิดมันนึกมันปรุงแต่งอย่างไร มันชอบมันชังหูด้ยินเสียงนะสติก็เห็นนะความดีใจความเสียใจเวลาเท้าเหยียบพื้นเหยียบกรวดเหยียบหินนะสติก็เห็นความไม่พอใจที่เกิดขึ้นไอเสียงที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันมันเป็นตัวการที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แต่ถ้าเรามีสติไม่ปล่อยให้มันปรุงแต่งจนนาไปสู่ความทุกข์นะใจก็เป็นปกติได้แม่กายจะเจ็บนะแม้เท้าจะจะเจ็บนะแต่ว่าใจก็เป็นปกติเพราะว่ามันไม่มีการปรุงแต่งจนกระทั่งทำให้เกิดความทุกข์ใจไม่มีการต่อต้านผักสายไม่มีการบ่นตีพอยตีพายโอดโอย นะหรือถึงมีก็รู้ทันรู้แล้วก็วางไอ้ที่ไม่วางที่ยึดเอาไว้ก็เพราะความไม่รู้ความหลงนะมาหลงปรุงแล้วก็หลงยึดนะในสิ่งที่ปรุงขึ้นมาอันนี้พราะหลงทั้งนั้นนะเพราะไม่มีความสึกตัวแต่พอรามีความสึกตัวหรือเรามีสติรู้ทันนะเห็นอาการของใจ ที่มันปรุงแล้วก็มันมีความยึดนะพอรู้นล้นก็วางอันนี้เป็นวิธีที่ช่วยบรรเทาทุกข์หรือว่าป้องกันทุกข์ใจได้ถึงแม้ว่ายัางต้องเกี่ยวข้องกับผัาษะที่ไม่น่ายินดีนะแต่ภาษาเหล่านี้มันไม่ สิ่งเหล่านี้ไม่จะเป็นตารูปรสเก่นเสียงนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทําให้ขัดใจนะอย่างมากก็เป็นสิ่งที่ชวนให้ขัดใจชวนให้ไม่พอใจมาชวนให้เราไม่พอใจหรือที่ว่าเราจะรับคําชวนไหมอ่าถ้าเรารับคําชวนแล้วก็ไม่พอใจก็มาชวนให้ทุกเรารักคำชวนไหมถ้าเรารับคําชวนหรือใจเรารับคําชวนก็ทุกเนะี แต่ตัวมันเองนี่ยังไม่ทําให้ทุกข์นะอย่างมากก็ทำให้ทุกข์กายนะไม่ทําให้ทุกข์ใจ <c oughs> บางอย่างไม่ทําให้ทุกข์กายแนตะ่แต่ว่าถ้าไปรับคําชวยก็ทุกข์ใจเลยเอเช่นไปเห็นอ่อไปเห็นขยะปฏิกูลเห็นอุจจาระปะโสะเนี่ยหรือว่าไปได้ยินคําต่อว่าด่าทอไอ้คนี้ไม่ทําให้ทุกข์กายนะแต่ว่ามันทําให้ทุกข์ใจได้ถ้า เพอไปรับคําชวนนะวิธีนี้เป็นวิธีที่ช่วยป้องกันทุจระ ง, งับทุกนะในใจได้ดีกว่าการไปหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผัสสะนะเพราะว่าหลีกเลี่ยงยังไงก็นี้ไม่พ้นอย่างเช่นคํานินทาเนี่ยนะนะผู้คนก็ไม่ชอบคํานินทา <c oughs> ไม่ชอบคําต่อว่า แต่ลีกหนีเท่าไหร่ก็ไม่มีทางหลีกหนีพ้นไม่ว่าจะมีอํานาจแค่ไหนนะมีอานาจจะมีสามารถจับกลุ่มคุมขังผู้คนได้ก็ยังห้ามเสียงดินทาไม่ได้รัฐบาลอย่างเช่นเกาหลีเหนือนี่มีอํานาจมากนะมีอานาจควบคุมผู้คนทุกอย่างใครวิ จ, จารณ์ก็ไม่ได้ แต่ทำยังไงยังไงคนก็ยังวิจารณเพียงแต่เขาวิจารณเบาๆไม่ให้ได้ยินหรือว่าเขาก็วิจารกันเองเท่านั้นเองจ <c oughs> ่ก็ยังได้ยินนะจกในหมู่คนใกล้ชิดนะนันก็ต้องเกิดอาการระบาดระแวงนะใครที่วิจารณก็จับเขาเข้าคุกบางทีก็ประหาชีวิตนะ อันนี้เกิดเป็นข่าวบ่อยๆในประเทศเกาหลีเหนือหรือว่าประเทศประเทียการทั้งหลายอันนี้เขาก็พยายามที่จะระงับไม่ให้มีการวิจารณ์แต่ก็ทำไม่ได้และสิ่งที่ควรทำมากกว่าคือว่ารักษาใจไม่ให้ทุกข์เมื่อได้ยินคำเหล่านี้เมื่อหรือเมื่อมีลมปากมา ก, ก็ทบหู อย่างที่มีสววํานวนธ์วห้ามควันจุดไฟแล้วถ้าห้ามควันได้เนี่ถึงจะห้ามคนดินทาแล้วความเจ็บความป่วยก็เหมือนกันนะมันก็ยังไงหลีกเลี่ยงยังไงก็หนีไม่พ้นต้องเจอแล้วมันไม่ใช่แค่ป่วยอย่างเดียวมันมีความเจ็บด้วยมีทุกขเวทนาด้วยนั่นจะเอาแต่นี้เวทนาเอาแต่พึ่งยาระงับ ทุกขเวทนาและกับความเจ็บความปวดอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องอาศัยวิธีการรักษาใจด้วยให้สตินี่แหละนะเป็นเครื่องรักษาใจที่ทำให้ความทุกข์เข้ามาเล่นงานบีบคั้นทิมแทงใจไม่ได้มีบางท่านก็เปรียบว่าสติเหมือนกับเทฟลอนนะเทฟลอนนี่เอาไว้เคลือบ เคลือกกระทะพอเคลือกกระทะเนี่ยข้าเหมาก็ไม่ติดนะจิตเราก็ต้องมีสตินะเป็นเหมือนตัวรักษาหรือเป็นสิ่งที่เคลือบใจไว้ไม่ให้กิเลสเข้ามาติดไม่ให้ความทุกข์เข้ามาปะทะหรือมาเกาะนะสมัยพุตธกาลนี่ไม่รู้จักเทฟลอนนะแต่ว่าก็นึกถึงใบบัวนะ ดอกบัวดอกบัวใบบัวนี่น้ำมันก็ไม่ติดฉาบก็ไ ม, ไม่ไม่เปียกเพราะว่ามีธรรมะเป็นเครื่องรักษาโดยเพราะสติและปัญญาเมื่อมีสติและปัญญาแล้วเนี่ยกิเลส ก, ก็ไม่ไม่ติดความทุกข์ก็ไม่เ ก, กเาะหลวงพ่อเทียนชันอธิบายอีกแง่หนึงว่าเหมือนกับเอา ดินนะที่มันไม่ใช่ดินดินเหนียวเนี่ยคว่องไปที่ข้างฝามันกระทบข้างฝาจริงแต่มันไม่ติดมันก็ตกลงมาอันนี้เป็นสภาวะจิตของผู้ที่มีปัญญาแล้วผู้ที่ถึงธรรมแล้วมีแรงมากระทบมันก็ไม่ติดมันก็ตกลงมาตรงนั้นสักแต่ว่าได้ยนินสักแต่ว่าเห็นแต่คนธรรมดาเนี่ย อาการสภาวะจิตเหมือนกับว่าเอาดินเหนียวขว้างไปที่ข้างฝาแล้วมันติดเลยนะคำพูดคำตอบว่าดาทอตาหนิติดเตียนพอกระทบหูนี่มันติดหูเลยมันติดหูติดใจไปเลยหรือคำรูปก็เหมือนกันรูปรูปผู้หญิงสวยๆ ง, งามๆแต่งตัววับหวามพอตาเห็นปุ๊บมันติดตรึงเลย มันติดตึงที่ไม่ใช่ที่ตา ม, มติดตึงที่ใจแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าอยากได้อยากเสพอยากครอบครองเกิดความรุ่มร้อนถ้าเป็นพระนี่ก็อาจจะถึงอร่อนผ้าเหลืองอันนี้ไม่ใช่เพียงเพราะไม่ใช่เพราะว่ามันเกิดผัสสะเท่านั้นนะแต่เป็นเพราะใจปรุงแต่งด้วย พาใจเผลอใจหลงก็เลยปรุงแต่งไปยึดติดถือมั่นแต่ถ้าหากว่าแก้ตรงนี้ได้รักษาใจให้ดีแม่จะเห็นภาพผู้หญิงสวยนะใจก็เป็นปกติเผลอๆบรรลุธรรมได้ด้วยนะอย่างเข้าจะเป็นชื่อพระนักสมมาเนี่ยท่านท่านจาริกเข้ามาในเมืองนพอดีเขาก็มีการแห่ มีผู้หญิงสวยมาฟ้อนรำอยู่กลางถนนประดับประดาด้วยดอกไม้ประทินด้วยเครื่องหอมแล้วก็ฟ้อนรำในท่าที่สวยงามคนธรรมดาเห็นแล้วเกิดรักคะแต่ว่าท่า น, นาสมาเห็นนี่ท่านกลับเห็นอีกแบบหนึ่งคือไม่ได้เห็นสิ่งที่ยั่ว ย, ยวนกิเลยแต่เห็นว่านี่คือบ่วงของมาร ที่ทำให้ติดข้องอยู่ในความทุกข์ในวัตาสงสารท่านเห็นโทษนะของภาพที่เห็นจิตกองท่านก็หลุดพ้นเลยจิตขอท่านหลุดพ้นเหมือนพระอรหันต์เลยไม่ได้พอเห็นปฏิกูลไม่ได้เห็นศพแต่ว่าเห็นหญิงสาวที่สวยงามซึ่งสารคนทั่วไปมันทำให้เกิดราคาแต่ท่านนี่มีสติ สติทําให้เกิดโยนิโสมนัสิการทําให้พอโยนิโสมนัสิการเกิดขึ้นปัญญาก็ตามมาจิตก็หลุดพ้นอันนี้เรียกว่าเพียงแค่ลำพังแค่ผัสสะเนี่ยมันไม่ทําให้เกิดทุกข์หรือไม่ทําให้เกิดกิเลสมันอยู่ที่ข้างในใจด้วยว่าข้างในเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าใจมีสตินะปัญญาก็สามารถเกิดขึ้นได้จากภาพหรือจากรูปที่เราเห็น แทนที่จะเกิดราคะก็เกิดการเกิดวิราคะขึ้นมาเกิดความเหนื่อยหนะ่ายคลายกำหนัดจิตหลุดพ้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตาเห็นรูปรูปที่เห็นนั่นคืออะไรนะรูปที่เห็นมันก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าใจถ้ามีสติไหมนะถ้ามีสติแล้วนี่แม้จะรูปที่ชวนให้เกิดราคะแต่ว่าจิต ก, ก็ไม่เกิดราคะด้วยนะกับเกิดวิราคะ นั้นรูปที่เห็นเนี่ยเสียงที่ได้ยินเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าจะทําให้เกิดราคาขึ้นมาทีเดียวผู้แดงมากคือมันชวนให้เกิดราคานะแต่ว่าจิตจะรับคําชวนหรือไมนะ่จิตของท่านนักสมาธิท่านไม่รับคําชวนนะแตนะ่ท่านมองเห็นอีกแง่หนึ่งในฐะานที่เกิดราค า, าเกิดวิราคาขึ้นมาจิตก็หลุดพ้นเลยฉะนั้นะเรื่องของผัสสะนี่สําคัญก็จริงนะแต่ว่า อย่าลืมนะการมีสตนะิการรู้จักรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในใจแล้วก็ดูแลรักษาใจไม่ให้เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาที่จะทำให้เกิดทุกข์หรือว่าเกิดกิเลส ข, ขึ้นนั่สติปัฏฐานสิ่งสาคัญเนะนี่ยนอกจากการดูกายเห็นกายเนี่ยกา ย, ยนุ ป, ปัสสนาแล้วนะเวทา น, า น, ปปนาุปัสสนาจิตานุ ป, ปัสสนาธรรมานุ ป, ปัสสนาก็สาคัญดูกายแต่ว่า ไม่เห็นจิตนี่นก็ไม่ถูกนะถ้าปฏิบัติธรรมจระเซติจริงดูกายก็เห็นจิตไปด้วยถ้าดูกายเห็นแต่รูปเห็นแต่ได้ยินแต่เสียงนี่มันก็ไม่ใช่ละหรือเห็นแต่การเคลื่อนไหวแต่ไม่เห็นจิตอันนี้ก็ไม่ถูกมันต้องเห็นจิตเห็นเวทนาเห็นการปรุงแต่งขึ้นที่ใจด้วยฉะรัะเนี่ยที่หลวงพ่อนละภูวเนดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมเนี่ยคือความหมายนี่แหละนชาตินี้ก็ับ่านี้นะกราบพระ